เสีงอ่านหนังสือปกินนกาธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนากรรมฐานพระผู้ซึ่งเป็นต้นแบบของพระป่าสายเทราวาทที่เคร่งครัดของไทยและยูเนสโกยกย่องเป็นบุคคลสําคัญของโลกสาขาสันติภาพรวมเนื้อหาเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติเกล็ดคําสอนประวัติศาสตร์เรื่องลึกลําเหนือธรรมชาติและเรื่องปลีกย่อยต่างๆที่หลวงตาทองคําจารุวันโนพระอุปทาภู้ใกล้ชิด จดบันทึกมาจากคำบอกเล่าของหลวงปู่มั่นโดยตรงตัวอย่างเช่นคำสอนเรื่องปัญญาท่วนหศาสนาภายนอกศา ส, สนาภายในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพุทธภาษามู ล, ลกรรมฐานการวินิจฉัยปัจจัย 4, เสเศรษฐกิจสัมพันธ์คำพยาอุปมาสอนธรรมหลวงปู่มั่นกับเหล่าเทวดาและพญานาคราชเรื่องพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชรอยพระพุทธบาท อนุภาพเสียงสดมนอนุภาพแห่งฌานการถ่ายรูปครูบาอาจารย์ที่ควรและไม่ควรทหารกับการตกนรกการกลับมาเกิดใหม่ในศาสนาพุทธผีเฝ้าห่วงกระดูกวิธีจัดการผีร้ายที่มารบกวนการฟื้นฟูศาสนาความเป็นมาของชาวพุทธไทยพมา่าลาวความโชคดีของคนไทยที่หลายคนมองข้ามและไม่รู้ตัวประวัติความสัมพันธ์ของวัดปทุมและวัดป่าสุทธาวาส ประเพณีและสิ่งที่ควรยกเลิกและเรื่องเบ็ดเล็ดอีกหลายเรื่องซึ่งล้วนเป็นเรื่องน่าสนใจไว้ประดับความรู้และเสริมศรัทธาและปัญญาทางธรรมได้เป็นอย่างดีเสียงงานชุดนี้จัดทําต่อจากเรื่องเกร็ดประวัติหลวงปู่มั่นที่บันทึกโดยหลวงตาทองคําเช่นเดียวกันนะครับโดยมาพบภายหลังว่าต้นฉบับหนังสือที่ได้ทำเสียงงานไปแล้วนั้นท่านตัดเนื้อหาออกไปจํานวนมากที่มีความยาวเทียบได้กับหนังสืออีกเล่มหนึ่งทีเดียว ซึ่งหลายเรื่องเป็นเรื่องแปลกน่าสนใจจึงได้จัดทาเพิ่มเติมแนะนำให้ฟังทั้งสองเรื่องประกอบกันรวมถึงประวัติหลวงปู่มั่นและปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐ า, านที่ชมรมผลดีจัดทาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเสียงอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีร่วมจัดทําโดยเจ้าภาพหลักครอบครวัวอริยชาติพดุงกิจครอบครวัวเมกาวันนชาอภิวราวุฒิเจ้าภาพรองมณีเอี่ยมสำอาง สราวุ์โลหิตหานครอบครวัวสีโพคาครอบครวัวอิมวงสีครอบครวัวข้าสุวรรณครอบครวัวโลติวิกุลสมพลเศรษฐีชัยชนะชะวินเทียนประเสริฐกิจวิชยาดามุ่งวิชาสุดาพรตรงศิริร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ท่านปวง